เวลาโกรธที่สุดหลวงพ่อทำไงก็ทำไงละโกรธสุกข์สันสายไม่ตามไปเตยครับฉะนั้นจะไม่แสดงออกหลังโกรธนี่จะเป็นการแผ่ไม่ตาไปก็ทั้งไม่ได้โกรธจริงไม่ใช่โทสะก็ควบคุมโทสะอยู่ก็มันก็มาช่วกคราจะแต่พวกมึงมาหากูอย่มึงมาคุยแต่กูก็ไม่นานเดี๋ยวมึงก็กลับไปครับก็คือกันครับครับ